ท่านฟังค่ะแล้มาถึงช่วงนี้ก็เป็นการที่เราจะได้ตอบคําถามท่านทั้งหลายนะคะที่ได้ถามคําถามมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งไปที่พระอาจารย์ไพบูลเลยนะคะที่เพียวธรรมะ .com/106 ก่อนอื่นเราไปพบกับพระอาจารย์ไพบูลกันก่อนกันละกั น, กนค่ะน้ำมัศกาลกับท่านคะอาจารย์พรค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะสัปดาห์นี้คําถามเยอะคะท่านคะใช่ มีผู้ที่ไปเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เพียวธรรมะคอมเนี่ยมีผู้ไปเยี่ยมเยียนมากมแล้วก็ถ้าใครไปเยี่ยมเยียนเห็นข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ต้องการฟีดแบ็หรือให้ข้อเสนอแนะอะไรต่างๆก็ส่งไปได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคําถามก็ได้เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารกับคุณสรนชะนีหรือว่าผู้อยู่หลังไหม่ทุกท่านก็ส่งมาได้ก็แล้วกัน ค, คำถาม <ใน S 1> ฉัน<ก>เอก็เคยแวะเข้าไปเหมือนกันนะค ะ, ะแต่ว่าไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้พบกับท่าน ได้เปรียบคนอื่นน่อยหนึง่งอืมใช่ใช่สำหรับท่านที่ไม่เคยเข้าไปอ่ะจะให้ลองไปเยี่ยมนะคะดิฉันเองชอบการออกแบบ ด, ดสูสะอาดสมกับเป็นรายการธรรมะจริงๆใช่ปกติแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปเยี่ยมนี่จะเป็นเป็นกลุ่มใดคะฟังรายการสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ฟังรายการนี่แหละอ๋อแล้วก็มีทางรายการวิทยุทั้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งเทศไทยแล้วก็ที่เอฟเอ็มร้อยหกนี้ ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยไปลเล่นปฏิบัติที่วัดก็จะเข้าไปหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมีภาภาษาอังกฤษด้วยนะคะท่านทั้งหลายที่อยากจะมีความรู้ว่าเอ๊ะภาษาธรรมะคำนี้ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นอกเหนือจากที่จะได้รับคำตอบแล้วก็ยังจะได้ความรู้ในเชิงของการเอาไปสื่อสารต่อได้ด้วย ทีนี้อยากจะกราบเรียนท่านเปิบูลคือเกิดตอนค่ะคือรายการนี้เราเน้นเรื่อ ง, องพัชนะท่ า, าท่านเพื่อจะตกใจนะคะให้ดิฉันตกใจคนเดียวเพราะว่าท่านไปบูลเนี่ยท่านต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยมีสติโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ด, ดําเนินรายการนะคะนั่นเองก็พยายามพยายามเพราะ้อย่างคําพูดที่ พ, พระพเจ้าแยกกันใช้อย่างชัดเจนเนี่ยคือคําว่าตัณหาค่ะคือความอยากกับ เป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยจะใช้กับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกำหนดบนบทพ ย, ยัญชนะที่ถูกต้องได้เนี่ยจะเป็นการดีมากเพราะฉะนั้นคำว่าอยากเนี่ยก็เลยจะใช้กับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นเองถ้าสิ่งที่ดีๆแล้วเราจะเปลี่ยนคําพูดเป็นคําว่าต้องการหรือมีความประสงค์ หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้จะค่ะแต่ที่ฉันสรุปนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักของท่านพิบูลสิ่งที่ใครทำตามแล้วจะได้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเจริญสติการฝึกสติต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะก็แสดงว่าสติของที่ฉันจะต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆท่านพบูลคะคือได้ไปพบกับผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งคือคุณหมอรัศมี แล้วก็ภริยาของท่านชื่อคุณหญิงด็อเตอร์สมปองนามส ก, กุลวันนิสสอนอในแวดวงพระพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักท่านว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาสูงมากเพราะว่าท่านบริจาคที่ดินสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยใหญ่ๆนะนะคะแล้วก็ยังไม่รวมถึงทางมหามกุฏด้วยกับอีกเยอะแยะมากมายดิฉันได้มีโอกาสสนทนากับท่านทันทีที่ ท่านเจอดิฉันท่านทักคำแรกบอกว่าดิฉันฟังรายการวิทยุคุณด้วยประเด็นที่จะเล่าตรงนี้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะว่าเราก็มีผู้ฟังมากขึ้นและโดยเฉพาะผู้ฟังที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเยอะอย่างนี้ค่ะก็จะพยายามมุ่งมั่นที่จะจัดรายการต่อไปแต่แรก็ะาำก็ต้องขออนุโมทนากับท่านทั้งสองนะคะที่ได้เห็นคุณประโยชน์ของการที่จะส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านของพระพุทธศาสนา บ, บุคคลที่มีศรัทธาเนี่ยคุณสันสนีเ่อพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าซึ่งซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นที่จะถามนี่อยู่พอดีค่ะคือเรื่องของคําว่าศรัทธากับคําว่าเลื่อมใสเราที่มีคุณปุกกี้นะเข้ามาถามที่บอกว่าต้องการทราบคําว่าเลื่อมใสกับคําว่าศรัทธาว่ามีความต่างกันอย่างไรตรงนี้คําว่าศรัทธาเนี่ยเ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบทเพียรชนะของพระองค์เนี่ยเนี้ยบมากจากเท่าที่ไปทําการ คนควาพบว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะกําหนดบทเพลงชนะเหมือนกันเลยคือศรัท ธ, ธานะว่าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะว่าเหตุเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านะั้นเป็นพระอาหารหันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่มีศรัท ธ, ธาเนี่ยจะสามารถใครจะปะวารณาอะไรเนี่ยจะปะวารณาได้ไม่มีขีดจำกัด นะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอุบาสกอุบาสิกาที่มีศรัทธา ม, มากเนี่ยถวายที่ดินถมายแะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเครื่องแสดงออกถึงความมั่นใจนะในพระพุทธเจ้าของเก่าค่ะอยากจะกล่าวเรียนถาม ท, าท่านที่พูดถึงว่าปรวรณาอะไรอืท่านเจ็ดกดออดอีกใช่ไหมคะต้องการจะกล่าวเรียนถามท่านว่าคําว่าปรวรณาเนี่ยคะ่ ะ, ว, ะ ว, ว่าปรวรณามไม่มีขีดจํากัดในที่นี้หมายความอย่างไรค ะ, คะปะวารณาเนี่ยแปลว่า การออกตัวนะให้ขอได้ซาสำหรับค า, ารวาใช้กับพระภิกษุเนี่ยก็คือออกตัวให้ขอเรื่องสิ่งต่างๆที่สมควรแก่สมณะจาบริโภ ค, คเช่นขอเรื่องปัจใจย4บาดไม่มีอาหารขาดแคลนเรื่องจีวรบินตบาใช้นาสนะต่างๆนี้ออกตัวให้ขอได้ลักษณะนี้ถ้าประสงค์ประวานากับประสงค์ก็คือออกตัวให้ทาการ กล่าวโทษเราได้ให้ทําการสั่งสอนได้อย่างนี้การภาวนาซึ่งกันและกันค่ะก็เท่ากับว่าที่ปภาวณาไม่มีขีดจํากัดนั้นคือมีศรัทธามากถูกต้องจึงไม่มีการจํากัดว่าจะภาวณาหรือออกตัวเพื่อจะดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเพียงแค่นี้ใช่ท่านจะขออะไรให้หมดอย่างนี้<อ>นี่ ค, คือภาวนาไว้แล้วก็มีศรัทธามากอะไรก็ให้ได้อันนี้เท่ากับว่าท่านไปบุญกําลังตอบคําถามของคุณปุ๊กกี้หรือ ย, อยังคะที่ว่า มีความหมายอย่างไรแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ใดคำว่าศรัธทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้กับเรื่องของพระองค์ <c oughs> นะพระองค์เนี่ยมีศรัธทธาในอะไรมีศรัธทธาในพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าพูดถึงพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าเลื่อมใส <c oughs> อย่างเช่นเลื่อมใสในภิกษุรูปนี้จะใช้คําว่าเลื่อมใสนะถ้าจะใช้คําว่าศรัธทธาเนี่ยก็คือมีศรัธทธาในพระสงฆ์ <c oughs> นะว่า สงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ น, นี่คือศรัทธาเพรา ะ, ะนั้นคําว่าเลื่อมใสเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแบ่งใช้ว่าจะใช้กับบุคคลที่ประสงค์ที่ปฏิบัติเรื่องของอภิสมาจาร์นะคือมีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเช่นการนั่งดื่มน้ําการเดินการก้าวการย่างการเหยียดเนี่ยแม้ดูแล้วน่าเลื่อมใส<ะ>ลักษณะนี้เป็นผู้มีศีลดูแล้วน่าเลื่อมใส เพะฉงนั้นก็จะใช้กับพระสงค์ที่ทั่วๆไปเห็นด้วยตารับรู้ด้วยหูะนะแต่เรื่องของอเรียกว่าไตรรัตนะไตรนั้นจะใช้คำว่าศรัท ธ, ธากับสามสิ่งนี้หมดเนะพราะงั้นความต่างๆคืออะไรนะคือเลื่อมใสเนี่ยใช้กับอากับกิริยาที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติแล้วเห็นแล้วน่าเลื่อมใสอย่างนี้ได้นะส่วนเรื่องศรัท ธ, ธานี่คือศรัท ธ, ธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จะ <C han> แ, แยกกันสองอย่างอย่างนี้อันนี้แหมมีรายละเอียดแง่มุมที่เข้าใจว่าส่วนใหญ่ใช้กันเพื่อถูกนะคะถูกต้องแล้วก็บทเพยงชนะของพระธจ้าเนี่ยเนียบนะพระองค์จะพูดเหมือนเหมือนกันใน <C han> ที่ต่างๆแล้วก็จะไม่หลุดจากเรื่องพวกนี้เลย <C han> นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวขอสรุปทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามที่ท่านอาจารย์ได้ศึกษาพุทธวจนะและเข้าใจว่าคาว่าเรื่มสยกับศรัทธา เหมือนจะเหมือนกันแต่จริ ง, รงๆต่างกันโดยศรัทธานี่ก็ต้องบอกว่ามีมีระดับที่ยิ่งยวดขึ้นไปอีกถูก<ช>ไหมคะว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์งจึงศรัทธาในพระรัตนตรย<ช>ัยนะคะส่วนเลื่อมใสนั้นเป็นความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ใช่ไหมคะที่มีอากับกิริยาที่น่าเลื่อมใส<ช>ในวัดปฏิบัติของท่าน เพราะนั้นความคําว่าถ้าเราจะตีความคําว่าศรัทธาเนี่ยอาจมาต้องการพูดว่าจะเหมือนกับคําว่ามั่นใจมากกว่าฉันมีความมั่นใจในเรื่องนี้มากใช่ไหมนี่คือความศรัทธาคือความมั่นใจนะแต่ในขณะที่ความเลื่อมใสเนี่ยมันเหมือนกับความนับถือเคารพเลื่อมใสอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ถ้าเราใช้ในนัยยะว่าศรัทธาคือความมั่นใจเลื่อมใสคือความเคารพนับถืออย่างนี้นะ ค่ะซึ่งอันนี้ก็ให้ทราบว่าจริงๆแล้วเป็นเช่นไรแล้วก็พยายามที่จะใช้กันให้ถูกต้องกันแล้วกันนะค ะ, คะถ้าหากท่านคิดว่าการใช้ให้เหมาะสมถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราสื่อสารหรือว่าเข้าใจได้อย่างถูกต้องอด้วยแล้วคนที่สามารถกำหนดบุตรพยัญชนะได้อย่างเนียบอย่างเรียบร้อยเหมือนกับพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคนที่จะทอย่างนี้ได้ต้องมีสติมาก หาจจะต้องฝึกต้องศึกษาต้องเป็นผู้พระหูสูตรอย่างเงี้ยเนี่ยจะดีมากเลยถ้าเราสามารถสร้างบุคลากรให้เกิดขึ้นได้มากแบบนี้ค่ ะ, ะยุคนี้สมัยนี้ต้องกลับเรียนท่านนะคะมไม่ง่ายในเรื่องของการใช้ภาษาดิฉันไม่พูดถึงเรื่องของพุทธวจนะเลยนะคะออเอาแค่การใช้ภาษาทั่วๆไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนสมัยเนี้ยจะปรณีตไม่มากมไม่ค่อยปรณีแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรหรือว่า สมัยนี้มันเป็นยุคของการที่ทุกอย่างต้องแข่งกันต้องทําให้เร็วเข้าอืแล้วก็เป็นยุคแห่งการฉกฉวยบอกไม่ถูกกันนะคะคนก็จะอ่านน้อยลงเขียนน้อยลงซึ่งสิ่งเหล่าเนี้อาจจะทําให้ผ่านกระบวนการที่คิดจนกระทั่งตกผลึกน้อยลงอือย่างไรก็ตามทําให้สมบูรณ์ดีกว่าใช่ค่ะ เราก็มาคนอื่นไม่ทำให้เป็นไรนะเรามารดนรงการให้ทำค่ะแล้วโดยเ<ม>ฉพาะอย่างนี้นะคะท่านดิฉันขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นว่าในยุคที่เรานิยมการสื่อสารกันด้วยข้อความสั้นๆไม่ว่าจะเป็นในอีเมลอ่าออีเมลยังไม่เท่าไหร่เขียนยาวได้แต่ถ้าเป็นพวก SMS หรือ BB SMS เดี๋ยวนี้เริ่มเชยแล้วนะคะเขาจะมีอะไรนะ <Twitter. S 2> อะไรมีแอปแอปอะไรสักอย่างคือมาใช้คู่กันกับ BB อย่างเงี้ย ดิฉันสังเกตหลายครั้งแล้วว่ามักจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้ ใ, <ช>ในระหว่างคนที่สื่อสาร<ช>ซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาให้ครอบคลุมซึ่งคงจะเข้าเรื่องเลื่อมใสกับศรัทธาเนี่ย<ช>ก็จะทำให้คนที่มีภูมิรู้ไม่เท่ากันเข้าใจไม่เท่ากันได้<ช>นะคะนี่ก็ เลยแตกยอดออกไปจากความรู้ในเรื่องของเรื่มสายกับศรัทธาทีนี้จะตอบคาถามคุณปุ๊กกี้อีกสักคำถามหนึ่งไหมคะที่พูดถึงเรื่องการแผ่ส่วนบุญนะคะคุณปุ๊กกี้บอกว่าเคยได้ยินคนพูดว่าคนที่แผ่เป็นเจ้าตัวต้วตองมีอาการของปีติในขณะที่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเช่นอาการขนลุก จะทําให้ผู้รับได้รับส่วนบุญนั้นจริงๆไม่ทราบว่าข้อได้จริงนั้นเป็นประการใดเพราะตัวคุณพุกี้เองเนี่ยไม่เคยมีอาการใดๆเลยเพียงแต่ทําจิตให้สงบระงับและนึกถึงผู้รับเท่านั้นค่ะมันเป็นอย่างนี้คนที่จะแผ่เมตตาแผ่ความรักความเมตตาออกไปได้เนี่ยจิตต้องมีกําลังน ะ, ะมีกําลังมากเท่าไหร่คุณยิ่งแผ่ไปได้ไกลได้มีอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นทีนี้ถามว่าสมาธิมันมีกี่ขั้นโอ้มันมีหลายขั้นะนะปีติเนี่ยเป็นอยู่ระดับที่2เท่านั้นเอง เพราะนั้นถ้าคุณมีปีตินะตัวขนลุกสู้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเครื่องบอกได้อย่างหนึ่งว่าเออคุณอยู่ในระดับนั้นแต่ถ้าไม่มีนักก็อาจจะอยู่ระดับที่หนึ่งหรือระดับที่สามหรือระดับที่สี่ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องถามว่ามีองค์ประกอบอื่นอะไรอีกไหมในขณะที่กำลังส่งกระแสความรักความเมตตานี้ออกไป เหมือนกับท่านจะตอบว่าถ้าคุณปุกกี้คิดว่าตัวเองมีจิตที่ตั้งมั่นเพียงพอแล้ว ใ, <ช>ในยามที่แผ่เมตตาก็น่าจะพึงพอใจแล้วใช่ไม่ต้องไปคอยติดตามถามต่อว่ า, วาต้องขนลุกสู้ไหมขนลุกสู้ ห, หรือเปล่าดิฉันถามต่อเลยได้ไหมคะอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวจึงเกิดสงสัยว่าปีติต้องมีขนลุกสู้เท่านั้นหรือคะปิติอาจจะเป็นน้ําตาไหลก็ได้ปิติเนี่ยคือความอิ่มเอิบใจอัปราโมทกับปีตินี่คือความอิ่มเอิบใจทราบซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือปีติถ้าแปลเป็นภาษา ธรรมดาค่ะและคําตอบที่ท่านให้นี้พระพุทธค์ได้ตรัสไว้ด้วยไหมคะว่าอาการของปีติจะเป็นดังนี้ดังนี้ไม่มีไม่ไม่มีคือเป็นคําที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วในสมัยนั้นปีติอ้าวคุณมีความปีติปิติเราก็เข้าใจว่าอิ่มเอิบใจนะซ า, าบซ่านแต่สุขนี่จะไม่เหมือนกันสุขนี่จะประณีกว่าอเคค่ ะ, ะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ไปไกลจนเดี๋ยวจะหลายเรื่องมากไปเราหยุดอยู่แค่การที่ แผ่บุญดีกว่านะคะว่าไม่ต้องไม่สบายใจมากก็คือเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามคุณปุกกี้ก็คือว่าไม่จำเป็นนะแต่ถ้ามีก็แสดงว่าคุณอยู่ในสมาธิขั้นที่สองมีเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่มีคุณอาจจะอยู่ในขั้นอื่นก็ได้แต่ที่แน่ๆจะส่งกระแสความรักความเมตตาไปได้คุณต้องมีสมาธิจิตต้องมีกาลัง นะคะไปฝึกให้จิตมีกำลังอย่างนี้จะได้หายสงสัย<ช>ทุกอย่างด้วยประการทั้งปวงความจริงมีมุมที่จะกราบเรียนถามท่านในเรื่องนี้อีกนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวให้เวลาในการตอบคำถามเต็มอิ่มวันนี้คงจะขอให้เปิดธรรมที่ถูกปิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักวาการขอบพระคุณนะคะสำหรับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีในวันนี้คะ่ะนักวิชการ ท่านฟังที่ครบคะ่ะส่วนรายการของเรานะคะรายการสรัรสนิยมสนทนาที่ดําเนินรายการโดยดิฉันสัสนิยมนาคพงษ์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันก็เริ่มที่อยากจะแจกหนังสือท่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้องเรียนให้ทราบว่าเราหยุดไป1เดือนบางท่านเนี่ย อาจจะมาทวงถามหนังสือแล้วยังไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศแจกไปทั้งเดือนก็เลยยังไม่ได้มีที่จะส่งมอบให้ไว้เดี๋ยวเริ่มต้นประกาศเดือนกุมภาพันธ์ต้นๆ้นเดือนก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามไม่ต้องรอของแจกท่านก็ มีโอกาสที่จะได้รับคำสอนดีๆอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านติดตามรับฟังรายการแล้วเราสามารถทำให้เป็นคำตอบของท่านโดยเฉพาะเลยขอเพียงแต่ท่านส่งคำถามมานะคะไปที่เพ e ยวธรรม a .com/106 ซึ่งเราได้พูดไปแล้วตอนต้นรายการหรือว่าท่านจะโทรศัพท์มาที่ 02-269-0006 ก็ได้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พุทธวสวัสดีค่ะ